มีคนประท้วงบอกว่าบอกปิดวัดทำไมยังมีเทศไปลงเน็ตนะจีดกันไม่ให้เขามาฟังเทศมันด่าเราซะอีกนะที่จริงก็ไม่ได้เทศอะไรเท่าไหร่หรอกนะมีเวลานิดหนึ่งระหว่างพระตักอาหารคุยกันนิดหน่อยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ทำอย่างเนี้ย ชวงที่พระตักเข้าท่านว่างๆนะครับพูดออกใหม่ไปเรื่อยๆหลวงตาท่านก็ทำอย่างนี้ใครเคยไปเจอไหมหลวงตาท่านก็ทำอย่างนี้เทเตทเป็นงานเป็นการอะไรเจอหน้าก็คุยกันนั้นเพิ่อหลวงพ่อเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้วพระคุยกันเรื่องกระทำวัตถุสิบไม่ไม่คุยเรื่องอื่น เรื่องมักน้อยสันโดษไฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีปรารบความเพียรรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาปแล้วก็เรื่องวิมุตติปกติโลภงพ่อาคุยอยู่แค่นี้ยเรื่องอื่นไม่คุยบ้านไหนใครจะเป็นอะไรไม่คุยรัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรมันไม่เกี่ยวรับ คนละหน้าที่กันเอาวันนี้ให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้างไม่ต้องเกี่ยงกันเวลานิดเดียวเพื่อทำไปเรื่อยๆนะทำมาก็ถูกแล้วใช้ได้อยู่มันก็ดีขึ้นแล้วละไม่ได้ฟุงส่งเดชไป ทุกวันทําในรูปแบบนะไม่ใช่ต้องทําก่อนนอนอย่างเดียวมีเวลาว่างตอนไหนห้านาทีสิบนาทีอะไรก็ทาไปอย่างบางคนขายของขายของออนไลน์โฆษณาไปเลยยังไม่มีใครสั่งซื้อช่วงนี้ว่างๆแทนที่จะดูเฟ e บุ๊ k ไปเรื่อยๆฟุง้งซ่านอาวานาไป เก็บเล็กเก็บน้อยไปทั้งวันนะมันก็จะเจริญเร็วหลวงพ่อก็ภานามาแบบนั้นเวลาไปทำงานช่วงไหนมีเวลาห้านาทีสิบนาทีก็ไม่ทิ้งเปล่าๆภาวนาการภาวนา้งเราไม่ต้องหลับหูหลับตาไม่ต้องไปเดินทรงกลมอะไรหรอกเคลื่อนไหวทำอะไรก็รู้สึกตัวไปอย่างทุก ชั่วโมงประมาณชั่วโมงหลวงพ่อก็จะเดินไปฉี่ทีนั้นไม่ได้ปวดฉี่อะไรหรอกแต่ว่าหาเรื่องเดินออกจากโตทํางานเห็นร่างกายมันเดินไปฉี่เสร็จแล้วสบายใจเห็นใจมันสบายขากลับดูจิตมาแล้วัาไปดูกายไปทำงานมันคิดเยอะหวัวมนติ้วๆดูจิตไม่ออกก็ดูกายไป เก็บเล็เก็บน้อยนะอชั่วโมงหนึ่งเราทําได้ห้านาทีสิบสองชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงเราเพิ่มเวลาภาวนาได้อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วจากการเก็บชั่วโมงละห้านาทีนะนี่พวกเราถ้ามีเวลาเหลือห้านาทีสิบนาทีอะไรเราก็ไปทิ้งปล่อยใจฟุ้งซ่านเล่นไปแทนที่จะได้คะแนนแล้วก็ติดลบไปเรื่อยๆ รีบๆภาวนานะอย่าประมาทความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะมันมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรไม่ได้มาวัดก็ยังไปดูยูทู e ได้ที่หลวงพ่อเทศไว้แล้วนะเหลือเฟือไปฟังไปปฏิบัตินะไปทำที่สุดแห่งทุกของแต่ละคนแต่ละคนเอา หลวงพ่อไม่ได้เทนแบบซ่อนๆความรู้เราสอนแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วอยู่ที่พวกเราจะตรงกับธรรมะไหมใจเราซื่อตรงไหมดูไปก็ภาวนาก็เป็นไม่ยากเลยหรอกรักษาศีลห้าไหมทุกวันฝึกทำกรรมาฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจะได้สมาธิขึ้นมา แล้วก็เวลาที่เหลือนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้มีขั้นแรกนะขั้นต่อไปก็เห็นนะร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์จิตใจเป็นไตรลักษณ์ก็เท่านี้แหละเจยทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็แค่นี้แหละเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์แค่นั้นะอาคนต่อไปฟุง ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะพุงน้อยกว่าเมื่อวานพยายามฝึกไปที่หายใจอยู่ก็ใช้ได้หายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วจิตใจมันมีไปก็รู้หายใจแล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตพุงสั้นก็รู้หายใจไปแล้วก็รู้ไปพอถูกบ้างแต่อย่าคิดเยอะ สรรทฐานะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไม่ถูกหรอกพูดตรงๆไม่ถูกหรอกไม่มีใครทําถูกหรอกแต่อาศัยที่ทําผิดนั่นแหละอย่างเราเริ่มต้นเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติตงตั้งออกตั้งใจมันจะตึงเกินไปมันผิดอยู่แล้วลร้อยละร้อยก็เพิ่มต้อ ง, ต, องต้องผิดก่อนแหละคิดถึงการปฏิบัติจะเริ่มบังคับใจตึงๆแน่นๆ ลการที่เราคอยรู้ทันใจมันตึงใจมันแน่นใจมันคลายนะสติสมาธิปัญญามันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมัค่อยๆผิดน้อยลงนะถูกก็ถูกแวบเดียว ก, ก็ตัดสินความรู้กันแตกหักกันไปเลยที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกแต่ต้องทำนะถ้าไม่ทำแล้วผิดยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะเราจะลงอบายใจจะไหลงต่า นั้นพอนาไปอย่าไปกังวลมาถูกหรือผิดนาอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆที่ทำอยู่นะใจพุ่งสร้างก็รู้ใจสงบก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้ฝึกไปแค่นี้แหละง่ายๆมีมันจะแน่ซะแค่ไหนไหม่เพงตอนนี้ยังเพ่งอยู่แหละใจทื่อๆอยู่นิดนึงดูออกเปล่าล่ะเพ่งเมื่อไหร่แจจะทื่อ นี่อย่างนี้แรเพ่งแบบเบาๆมีเพ่งแบบโหดร้ายดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะไม่เหมือนกันนะมีดีกรีนะเพ่งแรงก็ถูกแรงฟุ้งซ่านไปดูฟุ้งซ่านไหมเราวจุดอ่อนเลยนะคือเรื่องฟุ้งซ่าน ร, รู้เปล่า <ๆ S 2> ลนั่นแหละ <ๆ S 2> อย่าไปยอมมันมาหายใจไปพุโทโธไปเรื่อย ๆ, ๆอย่ายอมมันนะ อะไรนะความอยากความยิ้มลนในการปฏิบัติของเราตรรู้สึกว่ามันเปลว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ดีแต่ใจมันมีความท้อแท้อยู่ดูออกเปล่ามันท้นอเห น, นื่อยเหลือเกินแต่เราก็ยุ่งยุ่งอะไรอย่างนี้นะนนคิดอย่างนี้อยู่แก็รู้ทันออก ค่อยๆฝึกนะที่ฝึกอยู่นะพัฒนาขึ้นเยอะละวใจก็เริ่มตั้งมั่นเด็ดดวงขึ้นมาแล้วดูออกไหมใจมันท้อแท้เหนื่อยบางทีร่างกายมันเหนื่อยใจมันก็ท้อนะเราก็แค่รู้ไม่ได้ห้ามมันหรอกมันเป็นยังไงก็แค่รู้ไปดีจเจริญขึ้นเยอะแล้วตรงนี้ไม่ถูกละตรงนี้เริ่มไปรวบจิตเข้ามาล้ว ดูออกไหมจะแน่นๆรู้ทานอย่างนี้อ๋อจิตไม่รวมจิตมันเจริญปัญญานะตรงที่จิตมันฟุ้งซ่านเนี่ย ถ้าเราขาดสติก็คือฟุ้งซ่านถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันทำงานแต่เรามีสติรู้นั่นคือการเจริญปัญญาแล้วคนที่เจริญปัญญานี่มักจะไม่ยอมทำสมถะใจมันไม่ยอมพักเราก็ต้องบังคับมันถึงเวลาปฏิบัติสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถึงเวลาก็พุโทโธไปหายใจไป นั่นแหละบังคับเอานะแต่บังคับเป็นระยะระยะนะถึงเวลาก็บังคับมันนะพูทโธไปหายใจไปอะไรก็ทาไปสงบกอช่างไม่สงบกอช่างแต่ทำแล้วก็หมดเวลาแล้วก็ออกมาเจริญสติไปมันเป็นธรรมชาติคนที่มันเดินปัญญาได้แล้วเนะี่ยมันจะไม่ยอมทำสมาธิ ลงพ่ามาก่อนก็เป็นเดี๋ยวนี้เลยมีวินัยนะทําสมาธิเรื่อยๆทั้งวันนะนฮะจิต ม, ม, มันมีปิติแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้มีปิติก็รู้เอาอิ น, นูนี้หลงแล้วหมดได้ยังพวกอยู่วัดหมดแล้วนะ ที่เหลือก็ไปตั้งใจภาวนานะพึ่งตัวเองให้ได้นะช่วงหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนก็ได้ถ้าโลกมันขยายตัวไปถึงขั้นที่สามนะเราพ่อจะต้องปิดมัดคนในไม่ให้หออกคนนอกไม่ให้เข้ายกเว้นแม่ครัวถ้าแม่ครัวเป็นบุคคลสาคัญ เราต้องเตรียมพร้อมไว้นะไม่แน่ว่าจะมาวัดได้ตลอดแล้วถ้าช่วงปิดวัดเนี่ยพวกที่จองคิวอยู่วัดนะก็ต้องชะลอไปก่อนค่อยไปจองรอบถัดๆไปแทนบอกกล่าวไว้ก่อนนะไม่ใช่โหดร้ายแต่ไม่งั้นพวกเราเดินทางมาก็อันตรายแล้วออกจากบ้านมาอันตรายทั้งนั้นนะ ถ้าเราไม่รู้ว่าใครมันเป็นใครไม่เป็นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหลวงพ่าก็ยังปล่อยให้พวกเราเข้ามาให้พวกเรามีสํานึกในตัวเองเราเพิ่งมาจากเมืองนอ้องเมืองนอกอะไรนี่อยามาอยู่บ้านไปมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมบ้างจะเห็นแต่ตัวหเห็นแต่ความสนุกอย่าง โกกรคขรบาดมากมายยังจะไปเสิบสวยอะไรเหลวไหลเอาเชื้อโรค ก, กลับมาแพร่ใส่คนในบ้านใส่เพื่อนถ้าเรามีญาติมีเพื่อนแบบนี้เราคลุ้มใจเลยเอาโรคมาใส่พวกเราหรือยังจะไปกินเลี้ยงกินเหล้าแก้วเดียวกันทำเหมือนคนไม่มีการศึกษาไม่รับผิดชอบ ต่อตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบสําคัญนะคนที่ไม่รับผิดชอบคือคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ได้เพราะภาวนาเนี่ยต้องลดละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพิ่มความเห็นแก่ตัวทําอะไรตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันภาวนาไม่ได้หรอกให้เราไปดูนะแล้วเราเร า, เรามีเพื่อนบางคนก็มีเพื่อน ตัวเองไม่ได้ไปเมืองนอกมีเพื่อนเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกอยากพามาหาหลวงพ่อสักหน่อยนะอยากอยากเป็นเพื่อนที่ดีเรื่องเหลวไหลนะความประพฤติที่เหลวไหลเรือเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะมีคนมาจากเดนมาร์กน ะ, ะพวกยากิโยมที่นี่บอกว่าอยากเข้ามาในสาราก็าไม่เชื่อ เราขอร้องว่าถ้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าคนไทยหรือคนอะไรอย่าเพิ่มเข้ามาในวัดสิบสี่วันก็ไม่ยอมเพิ่งมาสดๆล้ร้อนแล้ว ล, ล, ลุยเข้ามานั่งอยู่กลางวงเนี้ยเสียงต่อคนอื่นเถ้าเราเห็นแก่ตัวสัอย่างเดียวนะอย่ามาพูดเรื่องปฏิบัติเลยการปฏิบัติมันต้องลดละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพิ่มความเห็นแก่ตัว ภาวนานะตั้งอกตั้งใจมีข้อสงสัยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปเปิด y o u t u b หลวงพ่อดูจะได้คำตอบกล้าพูดเลยนะว่าจะเจอคำตอบถึงไม่มี YouTube ดูไม่ต้องกลัวมีข้อติดขัดในการภาวนานะบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าอยากรู้คำตอบ เดียวคำตอบก็มาเองนะเนี่ยพราะธรรมทั้งหมดน่ะมันออกมาจากจิตหลวงปู่เดินท่านเคยสอนหลวงพ่ อ, อธรรมะแปดมื่นสี่พันแล้วทำอังคารก็คือธรรมะทั้งหมดน่ะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เราสามารถเรียนธรรมะจากจิตของเราเองได้จิตเราสอนธรรมะเราให้เราอยู่ทุกวันสอนอยู่ทั้งวัน ปเดี <ide> ๋ยวมันก็สอนเรื่องโลภความโลภมันเกิดเดี๋ยวมันก็สอนเรื่องโกรธเดี๋ยวมันก็สอนเรื่องหลงเดี๋ยวก็สอนเรื่องฟุ้่านเดี๋ยวสอนเรื่องหดหู่เดี๋ยวสอนเรื่องสุขเดี๋ยวสอนเรื่องทุกข์สิ่งเหล่านี้คือธรรมะทั้งหมดนะเดี๋ยวสอนเรื่องเป็นผู้รู้เดี๋ยวสอนเรื่องเป็นผู้หลงธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะแสดงตัวอยู่ที่จิตของเรานี่เอง หลวงพ่อเข้าใจธรรมะขึ้นมามเขาเพราะเรียนรู้จิตตัวเองแล้วนะภาวนาจนกระทั่งมั่นใจนะตอนนั้นบวชได้สามันศาแล้วภาวนาแล้วมั่นใจนในการปฏิบัติของตัวเองแล้วหลวงพ่อก็ลงมืออ่านปริยัติอานาภิธรรมอ่านแล้วมันได้อะไรอ่านแล้วมันก็เหมือนที่เราภาวนานะนี่แต่ตอนที่เราภาวนาเราเรียกชื่อมันไม่ถูกแค่นั้นเอง อันนี้ก็เรียกชื่อมันถูกจิตอย่างนี้เรียกสันติระณะจิตตัวนี้เรียกว่าอย่างนี้จิตตัวนี้เรียกว่าอย่างนี้ทํางานอย่างนี้อย่างนี้นี่แเห็นเอาเองอะ่ะเรื่องวิธีจิตเ่ะเขาเรียนกันว่ายากเห็นนักหนาเราเรียนไม่เห็นไน้่ยยากอ่านดูมันก็เห็นอยู่ยพวกเราดูจิตดูใจใครเคยเห็นจิตเคลื่อนอยู่ในรวังไหมมันไหวๆยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะ แล้เดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาตอนที่มันผุดขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี้มันยังไม่รู้ว่าควรจะรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจใครเคยเห็นตรง น, นี้ไหมโผล่ขึ้นมามนยังไม่รู้ว่าจะรู้อะไรแล้วแป๊บหนึ่งนะก็จะรู้ว่าจะไปดูหรือจะไปฟังอย่างเราหลับลึกๆอยู่เนี่ยจิตอยู่ในผวัง มันมีสิ่งบางสิ่งมาเราจิตมันเริ่มรับรู้ว่ามีอารมณ์ภายนอกมาเราแล้วมันก็เคลื่อนเคลื่อนจากพวังเคลื่อนขึ้นมาทีแรกยังงงๆนะยังไม่รู้ว่าตื่นมาเพราะอะไรใครเคยเป็นไหมไม่รู้ว่าตื่นมาเพราะอะไรแป๊บหนึ่งถึงรู้อ๋อมันมีเสียงอะไรแตกๆเสียงเป็นคนงัดบ้านเรานัใจวิ่งไปทางหูจิตไปเกิดที่หูเราเลือกไม่ได้ พอได้ยินเสียงปุ๊บมันมีการส่งสัญญาณมาที่ใจเราแล้วมาแปลเฮ้ยนี่มันเสียงนัดบ้านเองนะพอแปลความหมายเสร็จก็ตกใจนี่เรื่องวิถีของจิตไม่ใช่เรื่องยากเพรเราภาวนานแล้วเราเห็นจริงๆนะให้เราไปสอบเอาพิธ ร, รม้สบายเลยแค่เปท่องให้รู้จักชื่อเท่านั้นนะเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมจิตเจ ต, จตสิกรูป เรื่องอภิธรรมทังนั้นเน้นที่เราเรียนกรรมฐานนะจริงเราเรียนอภิธรรมนะแต่เราเรียนในภาคปฏิบัติถ้าเรียนปริยัตินะไม่ได้ปฏิบัติควรละเรื่องกันพอภาวนาไปก็จะเห็นนะวาปริยัตมีประโยชน์นะเพราะเวลาบางคนมันภาวนาเพี้ยน ไปบอกว่ามันภาวานาเพีย้ยนอะไงก็โมโหเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยปริยัติเขว่าอย่างนี้นะเองภาวานาแล้วทําไมจิตเที่ยงขึ้นมาบางคนมันบอกนะหลวงพ่อสอนเรื่องจิตในเที่ยงโมโหเราถามว่าเราภาวานาไม่เป็นนะจิตเที่ยงได้หาอะไรเราเทียงด้วยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็บอกไปดูสิ ในคำภีทั้งหลายนะพุทธเจ้าก็บอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตมันเที่ยงที่ไหนล่ะอาภิธรรมก็บอกพระสูตรก็บอกส่วนจะเชื่อจะไม่เชื่อแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้แล้วแต่จะเชื่อเงินปริยัติเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบการปฏิบัติ การปฏิบัติก็เป็นเครื่องตรวจสอบความรู้ด้านปริยัติที่เรามีว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าปฏิบัติถูกนะปริยัติมันก็ถูกปฏิบัติผิดนะมันก็เอาไปอ่านปริยัตินะนึกว่าปริยัติผิดหรือถ้าไม่ได้เรียนปฏิบัติเลยไปอ่านปริยัติจะตีความผิดผิดจนได้เลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติ งั้นลงมือปฏิบัติเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองเรื่องความรู้สึกทั้งหลายที่แทรกเข้ามาในจิตเรื่องร่างกายเรื่องรูปนี่คือเรื่องของธรรมะล้วนๆเลยจิตเจตสิกรูปจิตก็คือตัวที่เป็นคนรู้ เจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วรูปก็คือตัวรูปที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นที่อาศัยของจิตเรียนให้เห็นเรียนด้วยการเห็นเอาเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนด้วยการเห็นเอาว่าเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเอาไม่ใช่กีนเนา เรียนด้วยการเห็นเาว่าร่างกายนี้รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเรียนรู้ความจริงด้วยการเห็นมันการเห็นมันอย่างถูกต้องนั่นคือคาว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกปัศนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นไตรลักษณ์นั่นเองอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบ ไม่ใช่มีปรัสนายังไม่เห็นอย่างวิเศษยังไม่ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็้เห็นนะรูปที่พองรูปที่ยุบไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นเน่าด้วยความรู้สึกขยับมือนะเห็นมือเคลื่อนไหวยังไม่ใช่มีปรัสนาถ้าเห็นในรูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยใจนะถึงจะเป็นมีปรัสนา ไม่งั้นก็เป็นปัศนาเฉยๆไม่มีวิวิจะต้องเห็นแจ้งเห็นไตรลักยากไหมขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่รู้ว่านั่งไหนยากไหมอันนี้ร่างกายนั่งรู้ว่านั่งแค่นี้นี่ก็เราเห็นมาเห็นถูกนะเห็นลึกลงไปตัวที่นั่งอยู่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันถูกบีบขั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คัน นั่งดูอย่างนี้แค่นี้ก็เป็นวิปัสนาแล้วดูความจริงของมันไปมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นมันไม่ใช่เรานะดูจิตดูใจย่ ง, ง่ายใหญ่เเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะดูเข้าไปนะถ้าเห็นว่าจิตกลังมีความสุขยังไม่เป็นวิปัสนาตนะ้องเห็น ว่าความสุขเนะี่ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้ความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสรุปแล้วก็คือทีแรกเห็นตัวสภาวะยังไม่เป็นมิปัสนาต้องเห็นแจ้งว่าสภาวะแต่และอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถึงจะเป็นมิปัสนาแค่นี้แหละงนั้นทีแรกก็ดูรูปธรรมนมามธรรมไปก่อนอย่าใจลอยอย่าหลงเลิน รารู้รูปไปทานามาทําดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพระเฟมจะเห็นใจรักดูให้ถึงใจรักนะแค่นีน้วันนี้สอนให้หลักหลักสำคัญสคัญนะเอาไปทาเอาแค่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยทำสิบปียี่สิบปีไม่หมดหรอกนะที่บอกวันนี้หลวงพูดเดินเคยบอกหลวงพ่อทํามานหนึ่ง พบผูร้รู้ทำลายผูร้รู้พบจิตทำลายจิตจริงจะถึงความบริสุทธิ์อย่ า, างแท้จริงถ้าในกันบ้านกันบ้านนี้ทำอยู่ยี่สบปีก็ไม่สงสัยอะไรอ่ะันไปทางนัน้น